บุ๊ก <Book> 2หกสิบเก้าเซสเด็กนาวต้องการอยากเบโซนี่วอลลดิฉันต้องการเตียงมีเบโซนัสลีตันดิฉันอยากนอน ที่นี่มีเตียงไหม ช, ชูเอตสดิฉันต้องการโคมไฟมีเลดิฉันอยากอ่านหนังสือเ ล, ลที่นี่มีโคมไฟไหมตอตล ดิฉันต้องการโทรศัพท์มี เ, เนอร์ดิฉันอยากโทรศัพทโ์โทรศัพท์ที่นี่มีโทรศัพท์ไหมช่ว e เอส s ัสโทรศัพท์ t น่ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูปม i เบอ o ์สโตร์ที่หดิฉันอยากถ่ายรูป ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหมทีมยดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์มีเดิฉั น, บบ น, น, นอยากส่งอีเมลที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม ช э ero, ู e s เอสตัสคอมพิวเตอร์ที่ิฉันต้องการปากกาลูกลื่นมีเบโซนัสกลอปสครีบิลอนี่ฉันอยากเขียนอะไรหน่อยมีอบอลาสไอออนสครีบที่นี่มีกระดาษและปากกาไหมช э ูวเอสตัสพาเปอร์ฟอล์ค่ายกลอปสครีบิลอที